ซึ่งวันนี้จะขอพูดเรื่องการตัก บ, บาตรเทโวที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์ข้างหน้านี้ตามปกติวันตัก บ, บาตรเทโวจะตักวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่สิบสี่ตุลาคม แต่ทางวัดยาณสังวรารามจะทำพิธีตักบาตรก่อนหนึ่งวันคือวันขึ้นส5บห้าคเดือนส1บเอดเป็นวันพระตรงกับวันอาทิตย์ที่ส3สาตุลาคมคืออาทิตย์หน้าสาเหตุที่วัดยานทำพิธีตักบาตรก่อนวัดอื่น เนื่องจากมีศรัทธาญาติโยมที่มีวัดประจำหมู่บ้านที่จะต้องไปทำบุญใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวถ้าจัดตรงกันก็จะไม่สามารถมาใส่บาตรที่วัดยานได้จึงได้มีการขอร้องให้ทางวัด จัดวันตักบาตรเทโวกนหนึ่งวันเพื่อศรัทธาญาติโยมที่มีหน้าที่ที่ต้องไปทาบุญที่วัดประจำหมู่บ้านจะได้มาตักบาตรที่วัดญาณได้ด้วยคือมาตักบาตรที่วัดญาณวันขึ้นสิบห้าคำ่ำแล้วก็ตักบาตรที่บ้าน ที่วัดที่บ้านในวันแรมหนึ่งคำนะดังนั้นถ้าใครทราบหรือใครไม่ทราบถามก็ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่าการตักบาตรเทโวของวัดยา น, นี่จะตักก่อนหนึ่งวันคือตรงกับวันพระสิบห้าคำทั่วไปจะตักวันแรมหนึ่งคำพระเนนที่เคยออกบินทบาท ไปตามสายต่างๆก็จะไม่ได้ออกไปหนึ่งวันเช่นวัดยาณ น, นี้ก็มีสายบิณฑบาตอยู่ถึงสี่ห้าสายด้วยกันสายบ้านอำเภอสายชาแก้วสายบางสเลสายสัตหีบแล้วก็สายกิโลสิบในวันตักบาตรเทโวเคยวันที่สิบสามตุลานี้ก็จะงด ไปบินทบาทตามสายต่างๆหนึ่งวันก็ขอแจ้งให้ทราบไว้เพราะว่าเดี๋ยวญาติโยมที่เคยไปตักบาทตามสายต่างๆจะไปรอ ก, ก็เพราะจะไม่มีพระไปบินตาบาทในวันนั้นคือวันที่13ตัวตุลาคมวันอาทิตย์เป็นวันพระวันขึ้นส5ห้าค่ำ เดือน 11. พิธีตักบาตรเทโวนี้มีการยธรรมมาเพื่อเป็นการย้อนอดีตในวันนั้นคือในสมัยพุทธกาลวันที่ออกพรรษาวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์หลังจากที่ไปโปรดพุทธมารดา อยู่หนึ่งพันษาด้วยการแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก นี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้มีวันตักบาทเทโวขึ้นมาความจริงการเสด็จไปสวรรค์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เสด็จไปด้วยพระวรากายแต่ทรงเสด็จไปด้วยพระกระแสะจิตคือพระกระแสะพระจิตของพระพุทธเจ้านี้มีพลังที่สามารถ ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่ดวงวิญญาณจะไปอยู่ตามภพต่างๆขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าเวลาตายไปบาปที่ทำไว้มีมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุลกายเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกถ้าบุญมีมากกว่าบาป บุญก็จะทําให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าเทวดามีอยู่ชั้นต่างๆหชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับกําลังบุญที่ได้ทำเอาไว้ทําบุญมากก็จะได้ความสุขมากทําบุญน้อยก็จะได้ความสุขน้อย เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทพชั้นต่างๆมีตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปจนถึงชั้นปรนิมมีหกชั้นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้านี่คิดว่าไปอยู่ชั้นดุสิตนะพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรต ก็ทรงมีความปรารถนาอยากจะทดแทนบุญคุณให้แก่บุพการเลยก็ทรงนึกถึงพุทธมารดาที่ได้ทรงจากโลกนี้ไปหลังจากที่คลอดเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้ามีพลังจิตที่สามารถค้นหาด ว, วงวิญญาณต่างๆที่ประจุติตามพบต่างๆได้จึงส่งค้นหาจนได้พบพุทธมารดาที่ประทับอยู่ในสวรรค์จึงได้ส่งโปรดพุทธมารดา ด้วยการแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาและเทวดารูปอื่นที่สนใจธรรมได้ฟังทุกคืนพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาทุกคืนในยามดึกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะมีภารกิจสั่งสอนสัตว์โลกอยู่สี่ครั้งด้วยกัน ครั้งที่หนึ่งคือตอนบ่ายอย่างตอนนี้จะทรงแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมในยามคำ่ำจะทรงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีในยามดึกจะทรงแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาและในยามเช้าตอนก่อนจะทรงออกบิณฑบาต จะทรงเลงยานดูว่าจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อสี่ข้อนี้เกี่ยวกับการสั่งสอนสัตว์โลกส่วนข้อที่ห้าก็คือการออกบินทบาตรโปรดสัตว์ส่งปฏิบัติภารกิจนี้มาตลอดสี่สิบห้า ปด้วยกันดังนั้นวันที่เป็นวันออกพรรษาก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากสวรรค์ลงมาตามบันไ ด, ดทิพย์ศรัทธาญาติโยมที่มีความปรารถนาที่จะใส่บาตรถวายกับพระพุทธเจ้าก็จะไปรออยู่ที่เชิงบันได นี่เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาวัดไหนถ้าเป็นวัดที่มีเขาก็จะไปสร้างมนดกไว้บนเขาแล้วก็จะทำบันไดยพญานาคให้พระภิกษุเดินลงเหมือนกับการลงจากสวรรค์ลงมาเป็นการย้อนดั่ลึกถึงอดีต เกี่ยวกับภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติโปรดพุทธมารดาเป็นการทดแทนพระคุณอันใหญ่หลวงของบิดามารดาพระคุณของบิดามารดานี้มีมากต่อลูกถึงแม่ลูกจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีแบกท่านไว้บนบาบนไหล ให้ท่านอุจจาระปัสสวะราดใส่บุญคุณของบิดามารดาก็ยังทดใช้ไม่หมดการที่จะดใช้บุญคุณของบิดามารดาได้หมดนี้ต้องทำให้จิตใจของบิดามารดาหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายถ้าได้ทำให้บิดามารดา ดตดพน้นจากการไปเกิดในอบายได้ก็ถือว่าได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาครบบริบูรณ์พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดสอนพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้เป็นผู้เข้าสู่กระแส ที่จะพาไปสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและทุกชาติที่จะกลับมาเกิดี้จะไม่เกิดในอบายอีกต่อไปนี่คือการทดแทนพระคุณ ของพระพุทธเจ้าต่อพุทธมารดาที่ทรงเห็นว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเลยทำภารกิจอันนี้เมื่อพร้อมที่จะทดแทนบุญคุณหลังจากที่ได้ทรงตัดสัลโได้ทรงบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วรู้จากทางที่จะพาผู้ที่ต้องการไปพระนิพพาน สามารถไปกันได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ทางสู่พระนิพพานทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในไตพกก็จะไม่มีใครสามารถออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้เลย จะไม่มีใครมีความฉลาดมีความสามารถที่จะค้นพบทางที่จะพาให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคนคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี่เองที่ได้ท่งบำเพ็ญบารมีต่างๆในอดีตชาติมาอย่างโชคโชน บารมีที่พระพุทธเจ้าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องบำเพ็ญนี้ก็มีอยู่สิบบารมีด้วยกันนะบารมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมนะีข้อที่สองก็คือทานบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมีข้อที่สี่ก็คือเนคขมะบารมี ข้อที่หคืออุเบกขาบารมีข้อที่หคือปัญญาบารมีข้อที่เจคืออธิษฐานบารมีข้อที่8คือสัจจะบารมีข้อที่9คือวิริยะบารมีข้อที่สิบคือขันติบารมีนี่คือคุณธรรม ของผู้ที่ต้องการที่จะตัดเรู้เป็นพระพุทธเจ้าค้นหาทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นต้องมีบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้เป็นเครื่องผลักดันจิตใจให้ได้ค้นพบทางที่จะพาให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็เคยเล่า ประวัติของท่านในแต่ละชาติที่เรียกว่าพระเจ้าสิบชาติเนี่ยนี่ก็คือพบชาติต่างๆที่ได้ส่งบำเพ็ญบารมีชนิดต่างๆเช่ตนตอนเป็นพระเวชสันดรนก็ส่งทุ่มเทให้กับการสร้างทานบารมีตอนที่เป็นพระมหาชนกกส็ส่งสร้างาวิริยะบารมี ลอยคออยู่ในทะเลแต่มีความเพียนไม่ยอมจมน้ำตายมีกำลังไหวก็พยายามไหวไปนี่คือบรารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สรงบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติด้วยกันจนมาถึงชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็มา ส่งสร้างบารมีอันสุดท้ายคือปัญญาบารมีใช้ปัญญาคิดค้นหาทางออกสู่การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้นี่แหละคือ <c oughs> สิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาจะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกทางก็ต้องสร้างทางด้วยตนเองค้นหาทางด้วยตนเองจะหาทางได้ด้วยตนเองนี้ก็ต้องสร้างบา ร, รมีสิบขึ้นมาในแต่ละภพแต่ละชาติแล้วแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อันไหนมาเอื้อต่อการสร้างบา ร, รมีชนิดนั้นบางทีต้องมีเหตุการณ์ ถึงจะสามารถบังคับให้สร้างบารมีต่างๆได้คือต้องมีทุกขถึงจะทำให้เกิดการสร้างบารมีขึ้นมาดังที่มีคำพูดว่าทุกบารมีบารมีบ่เกิดมานบารมีบารมีบ่เกิดทุกบารมีปัญญาบ่เกิด ต้องมีเหตุการณ์มากระตุ้นให้สร้างบารมีกันเวลาเจอมารมาผจญเ น, นี่จะต้องพยายามสร้างความอดทนสร้างความเมตตาสู้กับมารต่างๆถึงจะเอาชนะได้นะถ้าไม่มีความเมตตาไม่มีความอดทนเดี๋ยวก็กลายเป็นมารด้วยกันเขามารมาเราก็มารไป แต่ถ้ามีเมตต า, ามีขันติมีปัญญาก็จะใช้คุณธรรมใช้บา ร, รมีต่อสู้เอาชนะมาด้วยการแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยอมแพ้แต่การแพ้นี้ไม่ได้แพ้แพ้ผู้ที่มาเป็นมารแต่ชนะมารที่มีอยู่ภายในใจ มันที่จะมาฉุดลากให้จิตต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพะเมื่อไปทาบาปก็จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปถ้าไม่ต้องการไปเกิดในอบายก็ต้องไม่กระทำบาปก็ต้องไม่ตอบโต้ไม่ทำร้ายผู้ที่มาสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับตนยอมแพ้ยอมให้เขาทำ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 แต่เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะเราไม่ไปฆ่าเขา น, นี่คือเรื่องของการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายฟังญาติโยมฟังบา ร, รมีสิบข้อนี้แต่ละข้อก็รู้สึกว่าสุดๆทั้งนั้นแต่สร้างแต่ละข้อได้นี้ไม่ใช่เป็นของง่าย ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรลสการซักครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนานี้เกิดได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรรุก่อนแล้วก็จะอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดไปอย่างศาสนาพุทธนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ันปีด้วยกันนี่ก็มาครึ่งทางกว่าแล้ว 2,562 ปีศาสนาจะค่อยๆเสื่อมลงไปเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับสิ่งที่จเจริญงอกงามเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็เข้าสู่วัยเสื่อมวัยชราเหมือนกับร่างกายของคนพออายุเข้าสู่50 60ก็จะเริ่มเข้าสู่วัยชราตามธรรมชาติ พระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นทรงปรยากรว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณ 5,000 ปีด้วยกันเพราะว่าจะมีผู้ที่มาสนใจศึกษาและปฏิบัติศาสนาน้อยลงไปตามลำดับในระยะแรกๆนี้จะเจริญงุ่งเรือง ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนานี้เป็นยุคเจริญเติบโตเป็นยุคที่มีผู้สนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจํานวนมากยุคแรกๆนี้จะมีพระอริยบุคคลมากมีพระอรหันตสาวกเป็นพันเป็นหมืน่น แต่ต่อมาความสนใจในการศึกษาในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้จำนวนของพระอาหารหันต์ก็แทบจะหาไม่ค่อยได้จะหาก็ต้องเสาะหาเสา ะ, ะแสวงหาจริงๆถึงจะพบเพราะว่า ความเจริญทางด้านวัตถุความเจริญทางด้านกิเลสตัณหานี้มีมากขึ้นกว่าความเจริญทางทางธรรมจิตใ จ, จของมนุษย์ที่มาเกิดจะถูกกระแสของความเจริญของทางโลกทางด้านวัตถุซึ่งเป็นความเจริญของกิเลสตัณหานี้เองวัตถุนี้เจริญได้อย่างไรก็เจริญด้วยความอยาก ของจิตใจอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆก็ใช้การสร้างวัตถุชนิดต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสกันอันนี้ในสายตาของคนที่ไม่ฉลาดก็คิดว่ากำลังอยู่ในยุค ข, ของความเจริญความเจริญทางด้านวัตถุ แต่หารู้ไหมว่าเป็นความเจริญทางด้านกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวที่จะฉุดร่างให้จิตใจต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบไปเป็นเวลาอันยาวนานไม่ได้เป็นการเจริญที่แท้จริงของจิตใจจิตใจจะเสื่อมลงจิตใจจะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด และจะติดในอบายเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อมีการแสวงหาท้าววัตถุต่างๆก็มีการทำบาปชนิดต่างๆกันตามมาแทนที่จะมาทำบุญกันกับมีการทำบาปมากขึ้นเพราะมีความปรารถนามีความต้องการหาความสุขจาก สิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆมากขึ้นนั่นเองเมื่อตอนไม่มีความสามารถที่จะหาได้โดยวิธีที่ไม่ทําบาปก็จะใช้วิธีทําบาปเป็นการหาความสุขกันโดยที่ไม่รู้ว่าการทําบาปนี้จะพาให้ไปติดในอบายไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายเป็นเวลาอันยาวนานนี่เป็น เรื่องของความเสื่อมทางด้านจิตใจเมื่อมีความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นความเจริญทางด้านจิตใจก็ลดน้อยถอยลงไปคนก็จะเข้าห า, าศาสนาน้อยขึ้นเพราะไม่ต้องการจะเสียเวลาต้องการเอาเวลาไปหาความสุขทางโลกกันจะหาความสุขทางโลกได้ก็ต้องเอาเวลาไปหาทรัพยากร คือหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาซื้อความสุขทางโลกกันซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเวลาที่จะไปวัดไปศึกษาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีกันมีอย่างมากก็จะเฉพาะวันสำคัญสำคัญของศาสนาหรือวันสำคัญของชีวิตเช่นวันเกิดวัน วันครบรอบแต่งงานหรือวันปีใหม่หรือวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันตักบาตเทวคนจะตักบาตกันมากเพราะคิดว่าจะได้บุญมากกว่าวันธรรมดาในเมื่อไม่ได้มาทำบุญบ่อยๆก็เลยเลือกเอาวันที่ทำแล้วได้มากแต่ความจริงมากน้อยมันไม่ได้อยู่ที่วันที่ตัก มากน้อยมันอยู่ที่ปริมาณที่ทำทำน้อยในวันตักบาทเทโวมันก็ได้น้อยทำมากในวันธรรมดาก็ได้มากมันไม่ได้อยู่ที่วันแต่คนไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนก็จะเข้าใจผิดกันก็จะคิดว่าเลือกเอาใส่วัดวันที่สำคัญสำคัญก็พอทำแล้วได้บุญมากก็เลย เนื่องจากไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญและทำบุญก็เพียงแต่ทำที่เปลือกหรือผิวของธรรมะเท่านั้นคือเรื่องของการทำทานแต่จะไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องของการไปรักษาศีลเป็นเรื่องของการไปฝึกสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมอันนี้ต้องใช้เวลามาก และต้องใช้ความเพียรพยายามมากถึงจะสามารถทำได้คนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการที่จะได้รับจากการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็จะไม่ให้เวลากับการมาศึกษาปฏิบัติเพราะไม่รู้ว่าได้อะไรจากการศึกษาจากการปฏิบัติอยากจะได้ความสุข ก็รู้จากความสุขทางโลกเพียงอย่างเดียวจึงไม่จึงไม่จึงทุ่มเทเวลาให้กับการหาความสุขทางโลกไปเวลาที่จะมาศึกษาหาความสุขทางธรรมจึงไม่มีหรือมีน้อยมากนี่แหละเป็นเรื่องของความเสื่อมของทางศาสนาซึ่งถ้ามองดีๆก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่า ทางศาสนานั้นก็ถ้ามองไปด้านทางวัดด้านวัตถุ ก, ก็จะเห็นว่ามีความเจริญมากมีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆมากมีสร้างโบสถ์ใหญ่โตมีสร้างเจดีย์ใหญ่โตสร้างพระพุทธรูปใหญ่โต แต่นี่ไม่ใช่เป็นการเจริญของศาสนาเราไม่ได้วัดความเจริญของศาสนาด้วยเทาวรลวัตถุเราวัดความเจริญของศาสนาด้วยจิตใจของคนจิตใจของคนเป็นพระอริยมากน้อยเท่าไหร่มีพระอรหันมากน้อยเท่าไหร่อันนี้แหละเป็นตัววัดความเจริญของจิตใจของพระพุทธศาสนา ไม่ได้วัดกันที่ว่ามีโบวชใหญ่โตขนาดไหนมีเจดีย์ใหญ่โตขนาดไหนหรือมีพระบวชกันมากน้อยขนาดไหนเพราะสมัยนี้บวชก็ไม่ได้บวชแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้บวชนะบวชเพื่อให้ศึกษาให้ปฏิบัติแต่บวชมักจะบวชเป็นพิธีกันมากกว่า เวลามีคนสำคัญตายไปก็บวชถวายเป็นพระราชกูษลบวชกันทีเป็นร้อยเป็นพันอันนี้บวชแบบชั่วคราวบวชแบบทำบุญไม่ได้บวชเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าดูปริมาณก็อาจจะคิดว่ า, าศาสนากำลังเจริญมีพระภิกษุกันมาก มีบวชกันมากแต่ไม่ได้ดูที่จิตใจของผู้บวชว่าบวชแล้วได้อะไรจากการบวชถ้าบวชแล้วเสกก็แสดงว่าไม่ได้อะไรนั่นเองถ้าบวชแล้วไม่เสร็กนั่นแหะถึงจะได้อะไรเพราะว่าสิ่งที่ได้นี้มันดีกว่าสิ่งที่จะกลับไปหานั่นเองความสุขทางโลกนี้สู้ความสุขทางจิตใจไม่ได้ทางธรรมไม่ได้ รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงผู้ใดได้บวชได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วผู้นั้นจะไม่ไม่ไม่ไม่เสกไม่ลาสิกขาไม่กลับไปหาความสุขทางโลกไม่กลับไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาแต่จะมุ่งไปสู่ความสุขทางธรรมด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติให้มากขึ้น ที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมให้มากขึ้นไปจนได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเต็มร้อยเต็มอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลานี่คือการเจริญของจิตใจเจริญด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยความสุขได้ด้วยผลที่ได้รับจากการปฏิบัติคือความสุขภายในจิตใจ ความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นในจิตใจความทุกข์ต่างๆจะมีความจะมีน้อยลงไปตามลำดับจนในที่สุดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาพบชาติก็จะถูกกำจัดไปลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีพบชาติหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจอีกต่อไป ไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในตาภพบในสังสารวัตรอีกต่อไปนี่แหละเป็นสิ่งที่วัดความเจริญของพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระอานาหารเป็นจํานวนมากมายเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระศาสนา คือวันแรกของการประกาศศาสนาก็คือวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาลหาหบูชาพอมาถึงวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนต่อมาเมื่อวันมาคาบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวกหนึ่งรห้าสิรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อน มาด้วยความคิดถึงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พระเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์กันนี่เรารู้ได้จากการบันทึกว่าเพียงช่วงระยะเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ มีพระ อ, อาหารอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้ยห้าสิบรูปแล้วที่มีที่มีอีกแต่ไม่ได้มาร่วมด้วยอาจจะมีอีกหลายรูปเนี่ยอันนี้แหละคือความเจริญของศาสนาเจริญที่พระ อ, อริยบุคคลมีพระ อ, อริยบุคคลมากก็จะมีผู้ที่มีความสามารถที่จะนำความรู้อันประเสริฐไปสั่งสอนผู้อื่นได้มากขึ้นนั่นเอง เมื่อมีการสั่งสอนด้วยความถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเกิดความสนใจที่อยากจะนำเอาไปปฏิบัติเพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของศาสนาที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ สู้กับความสุขที่เราจะได้จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าสิ่งความสุขต่างๆที่เรามีหากันได้อยู่ในโลกนี้เป็นความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวรและจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือร่างกายนี้ต่อไปก็จะต้องหมดความสามารถ ที่จะหาความสุขให้กับเราได้แต่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทรรมจะสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งสร้างความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือและเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปอย่างถาวรเพราะใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็แยกออกจากร่างกายไป แล้วก็จะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับบุญบาปที่ได้กระทาไว้สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบททัติธรรมก็จะสร้างธรรมะให้ใหปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจธรรมะนี้ก็คือบุญอันสูงสุดเองบุญที่จะทำให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จะทาให้จิตใจนี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นบร ม, มสุขเกิดจากการศึกษาปฏิบัติตามคำสอนที่ทรงสอนให้กำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาตัวที่สร้างความทุกข์ตัวที่ฉุดให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติกําจัดกิเลสตัณหาด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถซักฟอกจิตใจที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงําอยู่นี้ให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้จิตก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะวิชานี้ก็จะถูกทำลายไปหมดจิต ท, ที่บริสุทิ์มีความสุขของพระนิพพานก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเีกต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังทำความจริงแบบนี้เมื่อฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดความสนใจที่อยากจะทดลองนำเอาไปปฏิบัติ พอลองหัดลองรักษาศีลหัดนั่งสมาธิพอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากความสงบก็จะรู้ว่าลถแห่งธรรมนี้ชนะลถทั้งปวงก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นยนในที่สุดก็จะบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้ เมื่อบรรลุดได้แล้วก็จะเป็นผู้ไปทําประโยชน์ให้กับศ า, า, าสนา อ, อีกทอดหนึ่งเป็นผู้ที่จะนําเอาความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ให้ได้ยินได้ฟังได้รู้และได้นําเอาไปใช้เพราะว่าทุกคนถ้าได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐนี้แล้ว ก็อยากจะได้สัมผัสกันทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตของทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะได้ความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆทุกคนอยากจะไม่อยากจะเจอความทุกข์ต่างๆแต่ทำยังไงก็หนีไม่พ้นมันถึงแม้ว่าจะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ มีตำแหน่งสูงใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆได้แต่พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่รับประกันว่าถ้าได้มาศึกษาได้ปฏิบัติแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่มาคุกคามจิตใจนี้จะหายไปหมดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งไปบวชกับพระพุทธเจ้าและหลังจากบวชก็ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งขัดจนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานนี้มีพลังมากทาให พระรูปนี้ท่านอดที่จะอุทานออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนมาไหนก็พึมพำว่าสุขหนอสุขหนอพระภิกษุรูปอื่นก็สงสัยว่าพระนี้เสียสติหรือเปล่าทำไมถึงไม่สํารวมวาจา พ, พึมพำพึมพำสุขหนอก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกไปสอบถามดูว่า เธอเป็นอย่างไรเลยเธอถึงไม่ควบคุมวาจาของเธอท่านก็ตอบพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นความสุขที่ได้จากการปฏิบัติได้จากการหลุดพ้นมันมีอำนาจมากที่ทำให้อดที่จะอุทานออกมาไม่ได้สมัยตอนที่เป็นผู้คองเรือนเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมากมาย ก, กว่าตอนที่เป็นพระอยู่ตอนนี้แต่กลับมีความทุกข์มากกว่าตอนที่มาเป็นพระ ความสุขที่ได้จากการเป็นเศรษฐีกับความสุขที่ได้จากการเป็นพระก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินมันก็เลยทำให้อดที่จะอุอทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอ น, น, นี่แหละเป็นเป็นเรื่องของศาสนาถ้าศาสนามีผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดมาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอน จะสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาให้มาสนใจให้มาศึกษาให้มาปฏิบัติกันได้แต่ถ้าไม่มีผู้ที่ได้บรรลุธรรมมาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนการเผยแผ่สั่งสอนนี้จะไม่ไม่มีประสิทธิภาพผู้ฟังแล้วฟังจะไม่เข้าใจเพราะว่าผู้สอนเองก็ยังไม่รู้ว่า สิ่งที่ตนสอนนั้นเป็นอย่างไรยังไม่เคยสัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเพียงแต่ได้ศึกษาเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนก็จะสั่งสอนเพียงแต่เพียงแต่ภาพวาดไม่ใช่เป็นภาพจริงภาพที่วาดจากจินตนาการของผู้ที่ไปอ่านไป ศึกษาเท่านั้นแล้วก็มาพูดไปตามจินตนาการซึ่งฟังแล้วคนฟังก็จะไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้นหรือสนใจ อ, อ, อันนี้เป็นเรื่องของธรรมศาสนาจะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็เพราะว่าผู้ที่จะให้ความรู้ทางศาสนานี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ ผู้ที่สนใจในการศึกษาปฏิบัติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆการปฏิบัติก็จะปฏิบัติเจือจางไปจากความเข้มข้นจากแก่นก็จะออกมาที่เปลือกกันการปฏิบัติเปลือกของศาสนาก็คือการทําบุญทําทานนี่เองเป็นการสร้างถาวรวัตถุต่างๆเดี๋ยวนี้มีกันมากแตตัวแก่นคือการศึกษา การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้จะมีน้อยมากจะมีแต่คนชอบทาบุญทาทานกันแต่จะให้ไปศึกษาจะให้ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปดังสมาธิการนี้จะมีน้อยมากเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่มีผู้นำผู้สอนสานักปฏิบัติต่างๆที่จะ ดึงดูจิตใจของผู้คนให้สนใจปฏิบัตินี้มีน้อยมากยังมีผู้ที่สนใจไปศึกษาปฏิบัติกันน้อยก็จะมีผู้ผู้บรรลุธรรมกันน้อยผู้ที่จะมาสืบทอดศาสนาน้อยลงไปตามลำดับนะต่อไปศาสนาก็จะก็เหลือแต่เปิ่งเหลือแต่คำพีแต่จะไม่มีการปฏิบัติกัน หลังจากนั้นแล้วก็ห้าพันปีผ่านไปก็จะไม่มีใครสนใจที่จะเข้าวัดเข้าหาศาสนาเพราะไม่รู้ว่าเข้าไปหาเพื่ออะไรเพราะไม่มีคนมาโฆษนามาบอกว่าศาสนามีอะไรเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ที่เข้าหาเข้าศึกษานั่นเองก็เลยต่อไปก็จะหมดไปจากโลกนี้ก็ต้องรออีกหลายแสนล้านปี ถึงจะมีผู้ที่ได้บําเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้มาตัตสรุ ข, ขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะอันวิเศษให้แกส่สัตว์สัตโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีผู้ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาอีกจํานวนหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกยุคทุกสมัยจะมีการ ปรากฏของพระพุทธเจ้าปรากฏของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะตั้งอยู่ได้ในระยะหนึ่งบา ง, บางยุคก็อยู่ได้หลายพันปีเป็นหมื่นปีบางยุคก็อยู่ไม่ถึงหมื่นปีอย่างของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็อยู่ได้ประมาณห้าพันปีแต่ก็จะมีการปรากฏของพระพุทธศาสนาขึ้นมาเรื่อยๆเพียงแต่ระยะเวลามันนานมากถ้าเราจะมารอ พบกับพระพุทธศาสนาครั้งต่อไปที่เราที่เราคิดถึงคือ พ, พระสีอ่านที่เราได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระสีอริยเมตไตรก็ต้องรอไปอีกแสนล้านปีเนะี่ยจะต้องรอจะต้องเวียนว่ายตายเกิดจะต้องทุกข์ร้องห่มน้องให้ไปอกีกไม่รู้กี่ร้อยพบร้อยชาติกี่แสน กี่แสนชาติกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งและพระพุทธศาสนาอันใหม่กับอันเก่าก็เหมือนกันมีคำสั่งสอนเหมือนกันอย่างนั้นถ้าเราได้พบกับศาสนาอันนี้แล้วเราอย่าไป เ, าเราอย่าไปเปลี่ยนเราอย่าไปเลือกว่าไว้รอให้พระศาสนาอันใหม่มาอาจจะทําให้เราบรรลุได้ง่ายกว่าเร็วกว่า อันนั้นไม่เป็นความจริงศาสนาอันใหม่อันเก่านี้ทำให้เราบรรลุได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเหมือนกันอยู่อยู่ที่ว่าเราจะสนใจศึกษาปฏิบัติหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ศาสนาศาสนานี้เป็นอันเดียวกันเป็นเหมือนกันมีคำสอนเหมือนกันสอนให้ละ บ, บาปสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลสอนให้ชำระจิตใจเหมือนกันทุกศาสนา พระพุทธศาสนาทุกศาสนาสอนคำสอนสามข้อใหญ่ๆนี้คือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตัดสรู้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็จะสอนสามอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะเรื่องของจิตใจนี้มันเหมือนกันทุกยุคทุกสมัย จิตใจจะหลุดพ้นจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนสามข้อนี้คือไม่ทำบาปทาแต่บุญแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นดังนั้นเราตอนนี้เราได้พบกับเครื่องซักฟอกใจล้วแล้วที่เราสามารถซักฟอกใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราอย่ามาอ้างเหตุผลนั้นเหตุผลนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลายังมีภารกิจยังมีคนนั้นคนนี้จะต้องคอยเลี้ยงดูดูแลรับผิดชอบอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะมาซักพอกจิตใจของเรามาปฏิบัติธรรมให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวไว้รอพระสีอ่านมาก่อน แล้วเราจะไปรู้หรือว่าเราจะไปเกิดในยุคเดียวกับพระสีอ่านหรือไม่เพราะการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้มันต้องเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลบุญรับผลบาปก่อนแล้วกว่าจะหมดวกว่าจะกลับมาเกิดอีกก็ไม่รู้ระยะเวลาเท่าไหร่ แต่เวลานั้นที่เรามาเกิดจะเป็นเวลาที่พระศรีอานมาเกิดพร้อมๆกับเราหรือไม่ก็ไม่รู้อีกเนี่ตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนาที่จะสอนเราที่จะพาให้เราแน่นหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราควรที่จะรีบฉวยโอกาสเสียขอให้คิดว่านี้เป็นเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายถ้าเราไม่ขึ้นขบวนนี้เราจะต้องเดินะเราจะต้องเดินทางกลับบ้านะ บ้านของเราก็คือพระนิพพานถ้าเราไม่ขึ้นรถไฟขบวนนี้เราอาจจะไม่มีรถไฟให้เราขึ้นอีกเป็นเวลาอันยาวนานช่วงนั้นเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆถึงเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะถึงได้ต้องรอให้มีรถไฟของพระพุทธศาสนามาให้พวกเราขึ้นกันเราต้องมีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเราคอยบอกเรา เรื่องของการวิธีปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆตอนนี้เรายังมีครูบาอาจารย์อยู่ยังมีพระอริยบุคคลอยู่ทำไมเรารู้ว่าเรายังมีพระอริยบุคคลก็เพราะว่ า, เ, าเวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นม า, าการที่ กระดูกของคนนี้ตายไปแล้วกลายเป็นพระธาตุนี้เป็นการยืนยันว่าจิตใจของคนนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจิตที่สะอาดนี่แหละเป็นจิตที่ไปซักพอกธาตุในร่างกายทําให้กระดูกนี้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ถ้าเป็นจิตของคนธรรมดาเนี่ยเวลาตายไปเผาไปกระดูกนี้จะไม่มีเป็นพระธาตุ จะมีแต่ผุพังไปในที่สุดอตอนนี้เรามีเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลและเรามีลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินและน่าจะเชื่อได้ว่าถ้าได้ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลโอกาสที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลนี้ย่อมมีมาก พ็เราดูตามประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครูบาอาจารย์อันดับหนึ่งก็คือพระอาจารย์มั่นเนี่ยพอมีลูกศิษย์ลูกหาพาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นนะต่อมาลูษศิษย์ลูกหาเหล่านั้นท่านก็กลายเป็นพาาระอรหันต์กันเพราะเวลาที่ท่านตายไปกระดูก ข, ของท่านก็กลายเป็นพระธาตาุกันขึ้นมา ลาภะที่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูม่มันก็คงจะเป็นในทํานองเดียวกันถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติทําตามคำสั่งคำสอนจิตของท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นได้เป็นพระอาริยบุคคลที่จะสามารถที่จะมาทําหน้าที่นําทางสั่งสอนพวกพว ก, พวกเราที่ไม่รู้จักทางให้รู้จักทาง และได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราจึงควรที่จะมีความกระตือรือร้ น, นมีความยินดีว่าโอกาสอันนี้โอกาสดีนี้ยังมีอยู่ในยุคนี้ถ้าเราไม่ขวนขวายเวลาของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะชีวิตของเราก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ตอนนี้เรายังมีกำลังวังชาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันโอกาสอันนี้ผ่านไปหลุดมือไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันต่อไปได้อีกมากน้อยเพียงไรและสิ่งต่างๆที่เรา มาทำกันมาหากันตอนนี้มันไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราเลยมีประโยชน์เพียงแต่เฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองความสุขต่างๆที่เราหาได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขชั่ ว, วคราวชั่วกลิจชั่วเฉพาะกิ่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองพอเราตายไปจิตใจเราไม่มีอะไรติดตัวไปเลย ความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เราเอาไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเอาหันมาทุ่มเทให้กับการสร้างความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี้เราหาได้เท่าไหร่มันจะติดไปกับใจเราเราจะเราไม่จะไม่คว้าน้ำเหลวเราจะไม่ได้ไปแบบมือเปล่าเราจะไปแบบมือใจที่เต็มไปด้วยความสุขเะั้น ให้เราเปรียบเทียบถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาปฏิบัติธรรมกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราจะได้รู้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากทางธรรมนี้มีคุณค่ากว่าเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ที่เราจะไม่สูญเสียไป แต่ประโยชน์ที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้พอเราตายไปนี้เราจะสูญเสียมันไปหมดเลยและบางทีไม่ยังไม่ถึงเวลาตายเสียด้วยซ้ำไปพอเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งละต่างๆเหล่านี้ได้อีกแล้วแต่ถ้าเราหาความสุขจากทำได้ จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมจากลดแห่งธรรมได้เราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาที่ร่างกายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเวลาที่ร่างกายแก่หรือไม่แก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายหรือไม่ตายจิตก็ยังสามารถมีความสุขได้ ความสุขทรงธรรมนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขทางธรรมนี้ใช้การปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือคือถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราจะสามารถผลิตความสุขทางความสุขทางจิตใจได้ตลอดเวลาความสุขทางจิตใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะไม่สามารถมาลบล้างความสุขที่เราสร้างจากศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างความสุขที่เรากําลังหากันอยู่ในตอนนี้และกับความสุขที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ทําเราจะได้รู้ว่า <Okay. S 2> สิ่งที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายดีๆนี่เองส่วนสิ่งที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเป็นเหมือนเพชรนินจินดามีคุณค่าราคามากกว่ากันพวกก้อนหินก้อนทรายนี่เราสามารถหาได้ตามข้างถนนแต่เพชรนินจินดานี้หายาก ต้องไปขุดไปค้นหากันแต่คุณค่าราคานี้พอได้มาเม็ดหนึ่งนี้สามารถเอามาทำประโยชน์ ไ, ได้มากมายนะให้เราเปรียบเทียบประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการไปหาลาบยศสารเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่ามันตามกันเหมือนฟ้ากับดินประโยชน์สุขที่เราได้รับจากลาบยศสารเสริญ น, นี้เราอาศัยมันไม่ได้พึ่งมันไม่ได้เวลาที่ร่างกายเรา ตกทุกข์ได้ยากลำบากเวลาที่ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราจะตายนี้เราไม่สามารถอาศัยลาบยศเสริญรูปเสียงกลิ่นรสมามาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จทางธรรมนี้มาดับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้เราจะอยู่อย่างมีความสุข และเราจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างมีความสุขถ้าเรามีธรรมมีรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอยู่ในใจของเราที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ดังนั้นขอให้พวกเราจงใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงคุณถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก ความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมเพื่อจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรที่จะเลือกทางไหนถ้าไม่วิเคราะห์ไม่พิจารณาก็อาจจะคิดว่า การหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นวิธีหาความสุขที่ดีแต่ต้องมองถึงอนาคตที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ถ้าเรามีความสุขทางธรรมเรายังสามารถมีความสุขได้ จึงขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องราวของศาสนาที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวอิุโตทินังเปตานังอุปกักปติยุทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปันาราโสยทาเมณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันโต สัพพะโรโควินสศตุมาเตภวโตอันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังุทาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่หลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะของดตอบคำถามข อ, อให้ถามได้ตอนนี้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะ ทางเฟซบุ o กสามร้อยหกมดเรบเโอเคถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้ออมาไม่อยากถามแต่มาอยากบอกเดีย๋ยวถ้าถ้าอยากบอกอย่าเพิ่งบอกนะเพราะตอนนี้ไม่ใช่ช่วงบอกช่วงถามน ะ, ะทางนี้มีทางพีโอนาอยากจะถาม สรับนรรสการเจ้าค่ะหนูเคยได้ยินว่าคําว่ายุบหนอพองหนอในขึ้นวิทยุค่ะแล้วทีนี้หนูไม่เข้าใจคําว่ายุบหนอกับพองหนอพระอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคะได้คําว่ายุบหนอพองหนอก็คือท้องหอรอเอเวลานั่งสมาธิต้องเวลานั่งต้องไม่นั่งเฉย ต้องให้เราทำอะไรต้องดูอะไรเพื่อให้ใจเราไม่ไม่ลอยไม่ไปคิดเรื่องต่างๆท่านก็สอนให้เราดูที่หน้าท้องเราเวลาเราหายใจเข้าไปท้องเราจะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกท้องก็จะยุบเข้าไปนี่คำว่ายุบหนอพองหนอก็คือท้องมันยุบ เ, เวลาหายใจออกเวลาหายใจเข้าท้องก็พองขึ้นมา นี่คือความหมายของยุบหนอพองหนอเป็นการฝึกสติเป็นการหัดนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิหลับตาแล้วก็ดูนึกอยู่ที่ท้องตอนนี้ท้องมันพองขึ้นมาก็ว่าพองหนอเวลาท้องยุบเข้าไปก็เรียกว่ายุบหนอให้ดูยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วใจเราก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุขเนี่ยกลาบนมัสการเจ้าค่ ะ, อ, ะอยากทราบว่าทางสายกลางลึกความไม่ยินดียินหลายเป็นการแตกต่างกันแบบไหนเจ้าคะออทางสายกลางนี่คือทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ทางที่สู่นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คนเหล่านี้จะหาวิธีดับความทุกข์อยู่สาวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งที่พวกเราหากันก็คือหาดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขเช่นเวลาเราเบื่อมีความทุกข์หงุดหงิดลาคาญใจเราก็ไปเที่ยวกันอพอได้ไปเที่ยวความหงุดหงิดลาคาญใจก็หายไปแต่หายไปเพียงชั่วคราว พอเรากลับมาจากเที่ยวเดี๋ยวมันก็หงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาใหม่วิธีนี้พระพุทธเจ้าก็เคยผ่านมาแล้วก็ล ร, รู้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ได้อีกวิธีหนึ่งก็พวกวิธีของพวกลือศีชีไพรที่เขาดับความทุกข์ด้วยการสร้างความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายเช่นนั่งบนอที่นั่งที่มีของแหลมคมนั่งให้มันเจ็บให้มันปวดเอเพื่อจะได้อ สู้กับความทุกข์แล้วคิดว่าความทุกข์จะหายไปมันก็ไม่หายไปความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจความทุกข์ทางร่างกายถึงแม้จะทนได้แต่ความทุกข์ทางใจมันก็ไม่ได้หายไปจากการที่เราไปทนกับความทุกข์ทางร่างกายพระพุทธเจ้าก็เคยลองอดอาหารถึง49วันความทุกข์ทางใจก็ยังยังมีอยู่ถึงแม้ว่า ร่างกายจะทุกข์จะทนกับความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ก็ยังไม่สามารถทําลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเช่นความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าก็เลยลองทางที่สามเรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนี้คือให้ดับความทุกข์ด้วยการ ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแล้วพอพบก็ให้หยุดให้ละความละเหตุนั้นพอละเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ได้ความทุกข์ก็หายไปหมดอันนี้เรียกว่าทางสายกลางส่วนความไม่ยินดีนละนี่แปลว่าจิตที่สงบจิตเป็นกลางเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตเราหยุดหยุดคิดปรุงแต่ง พอหยุดคิดปรุงแต่งแล้วจิตก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี้มันก็จะทําให้จิตเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็เฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นคนละอย่างกันการปฏิบัติทางสายกลางเพื่อให้เราไปสู่จุดนี้ไปสู่อุเบกขาขอบคุณค่ะ ถ้าอยากจะให้ใจเป็นกลางก็พยายามนั่งสมาธิทําใจให้สงบรักษาศีลแปดนั่งสมาธิใใาล แ, ลาธแล้วต่อไปใจก็จะสงบเป็นกลางขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆใครจะดีก็เรื่องของเขาใครจะชั่วก็เรื่องของเขาเพียงแต่รับรู้ไปสักแต่ว่ารู้ไป คำถามต่อไปจากคุณอู๋ค่ะกรรมฐานสีส่สบกับสติปฐานสี่ต่างกันอย่างไรคะกรรมฐานสี่สิบคืออารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญสติเช่นอนุสติมีอยู่สิบข้อ มีพุทธานุสติการอนึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นสวดบทอิติปิโสหรือบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าเรากําลังเจริญกรรมฐานเจริญสติด้วยกรรมฐานคืออนุสติคือพุทธานุสติเวลานั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจเข้าออกจะดูที่ท้องก็ยุบหน่อพองหน่อหรือดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกที่ปลายจมูก อันนี้เรียกว่ากําลังเจริญอาณาปณสติก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งในสติปัฏฐานสี่ก็สอนตอนต้นก็สอนให้เจริญกรรมฐานเจริญสติให้นั่งให้นั่งสมาธิด้วยการมีสติพอจิตสงบแล้วถึงให้ใช้ปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปเป็นปัญญา ค่ะคำถามต่อไปจากคุณแมนค่ะถ้าเมื่อเราปฏิบัติถึงขนาดมีสติเฝ้าระวังสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วสงบได้นานๆสติเฝ้าระวังได้เช่นนั้นแต่กวันหนึ่งไม่สามารถทำได้แล้วถ้าเป็นปัญญาทำไมถึงไม่สามารถทำให้กำหนดเป็นสมาธิได้สงบได้โดยตลอดครับมันเป็นบัญญาเทียมไม่ใช่เป็นปัญญาจริงเป็นสัญญาลืมไปแล้วพอถึงเวลาจะมากาหนดใช้ ทำจิตให้สงบหายไปหมดแล้วปัญญาเป็นแต่ความจําถ้าเป็นปัญญาจริงมันจะสามารถควบคุมจิตให้ปล่อยวางได้สอนจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายจิตก็จะสงบได้ค่ะคําถามต่อไปจากคุณธนากรค่ะพอเวลานั่งสมาธิตอนที่กําหนดอยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยก็ดูเหมือนอาการฟารุ้งซ่านก็คล้ายเหมือนหายไป อยู่กับคำบริกรรมแต่พอเ่ิงนั่งสมาธิแล้วอาการฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาอย่างมากจนไม่รู้ท่อทันและความคิดต่างๆก็เกิดขึ้นมาอย่างมากเกิดเพราะอะไรครับควรแก้ไขอย่างไรครับเพราะเราไม่บริกรรมเลยซิก็บริกรรมไปพอบริกรรมเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะงับนะงับลง ค่ะคำถามต่อไปจากคุณขวัญใจคะ่ะรู้จักผู้หญิงท่านหนึ่งเขาชอบไปปฏิบัติธรรมแต่เขามีสา ม, มีสามคนในเวลาเดียวกันแต่สา ม, มีสามคนไม่รู้ก็ยังงงว่าผู้หญิงคนนี้จะได้บุญหรือบาปคะได้ทั้งสองอย่างนะเวลาทำบาปก็ได้บาปเวลาทำบุญก็ได้บุญเนี่ยบุญกับบาปมันเป็นคนละบัญชีกันเนี่ยเหมือนเราไปกู้เงินธนาคารก็ใช้บัญชีหนึ่งเอาเงินไปฝากธนาคารก็ใช้อีกบัญชีหนึ่ง แต่บุญกับบาปนี่มันจะมาคิดบัญชีตอนที่เราตายกันช่วงที่เราตายบุญกับบาปมันจะมาลดมันจะมาแย่งดวงวิญญาณของเราถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปอาบายไปนรกค่ะคำถามต่อไปจากคุณนิยาคะ่ะถ้าเราต้องรักษาศีลแต่ไม่ได้สมาธิสมาทานศีลจะได้บุญหรือเปล่าคะ ได้มันไม่ได้อยู่ที่สมาทานอยู่ที่รักษาหรือไม่รักษาสมาทานนี้เป็นการตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลกี่ข้ออันแล้วก็ว่าไปคำถามที่สองค่ะถ้าร่างกายเรานี้ไม่เป็นร่างกายที่เป็นเนื้อแล้วแต่เป็นกายทิพย์เราจะมีความรู้สึกตัวดีทุกอย่างเหมือนตอนที่เราเป็นมนุษย์หรือเปล่าเจ้าคะก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันไปตอนเราฝันนี่เป็นยังไง เหมือนจริงไหมโดยที่เราไม่ได้มีร่างกายไม่ได้ใช้ร่างกายแต่จิตเรานี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในโลกของความฝันคําำถามสุดท้ายศักคุิยาค่ะถ้าเราพูดในใจจัดเป็นวาจาด้วยหรือเปล่า เ, เจ้าคะหรือเป็นแค่ความคิดเป็นความคิดถ้ายังไม่พูดออกมาทางปากก็ยังไม่เป็นวาจาคำถามต่อไปจากคุณพิต้าค่ะ อยากจะบวดแต่ยังติดสัญญาเยื่อใยความผูกพันยังตัดขาตัดไม่ขาดอยากฟังพระอาจารย์เทศบปดเตือนสติด้วยครับก็ใช้ตายรักเข้าไปตัดนะพิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจงความสิ้นสุดของชีวิตของร่างกายเดี๋ยวร่างกายของเราทุกคนก็จะต้องตายไป เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมาดูแลร่างกายของเราเรือดูแลของคนอื่นในที่สุดก็ต้องตายไปอยู่ดีสู้ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติเขาดีกว่าเราไปปฏิบัติธรรมของเราถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะติดกับภาระนั้นภาร ะ, ะนี้ติดกับคนนั้นคนนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนี คำถามต่อไปจะคนไมา้ค่ะความอยากที่เป็นไปในทางที่ดีถือเป็นว่ากิเลสหรือไม่เจ้าคะเช่นอยากเรียนเก่งอยากประสบความสําเร็จอยากร่ํารวยค่ะ อ, อ๋อแล้วแต่ว่าถ้าอยากในทางโลกถึงแม้จะดีก็ยังเป็นกิเลสอยู่อยากได้ลาบยศสรรเส ร, ริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะเป็นกิเลสเพราะมันจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าอยากจะ ตัดกิเลสอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมคำถามต่อไปจากคุณมิเชลจา o มาเลเซียค่ะ When a person d i e the sitta is leaving the body while waiting to be reborn in the womb does the sitta exit alone or is have a temporary temporary body The mind is, or the c h i t a is the mind. Once it is detached from the body, it becomes a spiritual being. How does the mind exist? It exists like when we go to sleep. When we go to sleep, we dreams about things, good dreams and bad dreams. That's how the mind exists. While there is no body, if you do good karma, did good karma, then you will have good dreams. If you did bad karma, then you will have bad dreams. Then eventually, these good dreams so or bad dreams will disappear. Then you will then take up a new body and be reborn as a human being again. หมดแล้วเลยดวงวิญญาณเขาถามว่าเวลาจิตออกจากร่างแล้วจะไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอย่างไร ก็อยู่เพื่อใบตามอำ น, นาจของบุญของบาปที่ได้ทําไว้แล้วก็อยู่เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับนี้เราก็เหมือนตายชั่วคราวเพรานั้นร่างกายก็นอนเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่จิตของเรายังไปทํานู่นทํานี่ต่อได้จิตเราก็ไปทําในรูปแบบของความฝันจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทําไว้ถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าบาปเป็นผู้ผลิต รายการให้เราได้รับชมถ้าฝันดีก็เป็นบุญเป็นผู้ผลิตรายการให้เรารับชมเนี่ยเวลาลัที่เราตายร่างกายตายจริงๆใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันดีฝันร้ายแล้วแต่ว่าบุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าก็จะฝันร้ายไปจนกว่าบาปนั้นหมดกำลังถ้าบุญมากกว่าก็จะฝันก็จะฝันดีไปต้นกว่า บุญจะหมดกําลังพอบุญหรือบาปหมดกําลังมันก็จะพาให้เรามารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปมาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่เราก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่อย่างที่เราทํากันอยู่ในตอนนี้เราจะเลิกทําบุญทําบาปก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่สอนให้เราเลิกทําบาปทําแต่บุญแล้วก็มาหยุดกิเลสความโลภความอยากต่างๆ พอเราทำได้แล้วดวงวิญญาณของเราก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปไม่ไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปหมดแล้วใช่ไหมโอเคเอมีท่านนี้ถามต่อขอเนะียขออนุญาตเจ้าค่ะขอแค่ to clarify ค, ค่ะท่านคือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยาตา ห้าห้าตัวนะคะอุญตาณก็คือสํารวมได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใจเนี่ยค่ะก็อย่างอย่างโยมเนี่ยบางทีหักดิบก็คือเอาทีวีออกไปเลยแล้วก็เอามือถือไป ไ, ไว้ที่ไกลๆเลยก็คือก็พยายามจะสํารวมทุกอย่างค่ะแต่ใจเนี่ยค่ะก็คือคิดว่าที่ ใจนี่มันมันผ่านทางกระแสะความคิดใช่ไหมคะมใจนี้คือสํารวมได้ด้วยวิธีเดียวก็คือนั่งสมาธิและเจริญสติอย่างเดียวอันนี้ถูกไหมคะและปัญญาด้วยปัญญาก็ไดถ้าพิจารณาว่าทุกอย่างที่ที่ใจอยากได้เป็นไตรลักษณ์มันก็จะหยุดได้ใช้สติสมาธิหรือปัญญาที่ท่านเคยบอกว่าความคิดนี่คือเป็นอาหารของความฟุง้งซ่านนี่ก็คือเพราะว่ามันผ่านทางใจใช่ไหมคะก็มันอยู่ในใจเนี่ยความคิดอยู่ในใจ ผลิตผลิตด้วยสังขารขันไงสังขารคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้คิดอย่างเรื่องนี้แล้วก็ไปเรื่องโน้นคิดแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็แสดงว่าจะสำลวนอย่างเดียวต้องใช้สติอย่างเดียวเลยคือเบื้องต้นก็ใช้สติก่อนพอใช้สติได้ควบคุมมันได้แล้วทีนี้ก็ใช้ปัญญาสอนให้มันเลิกคิดในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่จะทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมา พอมันเลคิดได้ในทางที่ไม่ดีมันคิดไปในทางที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังคิดอยู่แต่ท่านไม่ได้คิดไปทางกิเลสตัณหาท่านคิดไปทางธรรมท่านคิดไปทางปล่อยวางคิดไปทางตายรักท่านก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างช่วงที่โยมต้องทำงานนะคะแล้วเป็นงานที่เครียดมากบางทีหลุดนะคะแต่ว่าก็คือจะใช้ ไม่รู้จะเรียกว่าปัญญาหรือเปล่าแต่ว่าเป็นปัญญาหรือเป็นไตลักษ์ที่เคยใช้ได้ผลมามาสู้กับมันนี่พอจะได้ไหมคะได้ถ้าเห็นมันเป็นไตลักษ์มันก็หายเครียดเดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวเราก็ตาย้งานที่เราทําเดี๋ยวมันก็มันก็หมดไปเดี๋ยวบริษัทมันก็ปิดไปทําไปแค่ช่วประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้นเองได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันในในที่สุดมันก็ต้องหมดไปอยู่ดี ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้ก็ช่างหัวมันช่างมันไปยังมีคำใหม่ก็บ้าถามาร ม, มสการท่านพระอาจารย์ค่ะลูกสาวหนูชม เ, เทศอยู่ที่บ้านฟังทำท่านพระอาจารย์อยู่ที่บ้านขณะ น, นี้หนูเออลูกสาวหนูป่วยเป็นมะเร็งอยากจะขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ช่วยให้อุบาย ก็นี่แหละร่างกายก็เป็นตายรักเหมือนกันเป็นั้นนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เรามีหน้าที่เพียงแต่สนับสนุนมันดูแลมันไปมันไม่สบายเราก็รักษามันไปแต่ถ้ามันไม่ยอมหายเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไป อย่าไปสู้กับมันอย่าไปฝืนมันอย่าไปอมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วกับมันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันเราเป็นเหมือนคนดูแลร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้เราตอนนี้เขาไม่สามารถทําหน้าที่รับใช้เราได้เราก็รักษาเขาไป ถ้าเขาหายก็ดีไปถ้าเขาไม่หายก็ปล่อยเขาไปแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาเราก็ไปหาคนใช้คนใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้าเราทำใจให้สงบเราก็จะไปสบายถ้าเราปล่อยวางเราก็สบายถ้าเราไปยึดไปติดเราเสียดายไม่ยอมจากมันไม่ยอมทิ้งมันเราก็จะเราก็จะทุกข์ทรมานใจยัางพิจารณาตายรักว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาก็ปล่อยมันไปวิธีปล่อยก็ทําใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรนะพยายามทําใจให้สงบบ่อยๆแล้วจะไม่ทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายข้ากล่าบขอบพระคุณมากค่ะโอเ ค, อ, คอ่า อ, อย่างเลยครบที คำถามต่อไปจากคุณธีรยุทธ์ค่ะถ้าแค่แต่คิดยังไม่พูดออกมาจะถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับเช่นคิดว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนไม่ดีหรือคิดว่าเขาต้องโกหกกับคําถามนี้แต่เรายังไม่พูดไม่ไม่ผิดถ้ายังไม่พูดก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดไม่เป็นบุญหรือเป็นบาป การพูดนี้มันได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งบาปนะบางทีพูดดีทําให้คนก็มีความสุขนี่เช่นพูดพูดธรรมะให้เขาฟังแล้วใจเขาสบายก็เป็นบุญขึ้นมาแต่ถ้าคิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้พูดเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับโทษจากการพูดของเรามันก็ไม่เป็นบุญเป็นบาปต้องรอให้เกิดบุญก็ให้เกิดผลกระทบกับผู้อื่นก่อนถ้าผู้อื่นได้รับได้รับ ได้รับความทุกจากการพูดของเรามันก็เป็นโทษถ้าเขาได้รับความสุขจากการพูดของเราก็เป็นประโยชน์ก็เป็นบุญนะถ้ายังไม่พูดก็เป็นแต่เป็นแต่ผลที่เกิดขึ้นในใจในใจของเราคิดไม่ดีใจเราก็ไม่สบายคิดดีใจเราก็สบายเนีเราเป็นผู้รับผลทันทีแต่เราไม่ได้ไปกระทบให้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่จะทาให้เกิดเวรกรรมตามมาต่อไปเท่านั้นเอง ้ใช่มโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ